ว่าอุปทานก็คือจิตของเราเนี่ยมันตรุงนะมันมันยึดจะเป็นของเก่าเก่าก็ได้ที่เราเนี่ยสะสมเอาไว้จะเรื่องอะไรก็ได้ที่เราเรายึดเอาไว้เราจาเอาไว้นะที่มันเป็นกิเลสอย่างเช่นมายกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเราดูหนังเราชอบโอ้โหนะยิงกันฆ่ากันหนังลบกันหนังสงครามหรือว่าบางที่ชกมวย โอ้โหเราดูแล้วแม่มันสะใจเราจำบรรยากาศจำอารมณ์จำความรู้สึกต่างๆเนี่ยได้นั่นแหละซึ่งมันเป็นกิเลสอย่างนั้นนะแล้วเราก็จำมันฝังอยู่ในใจเรานั่นแหละเขาเรียกว่าอุปทาน อ, าอุปทานนี่มันจะเป็นลักษณะคล้ายกับสัญญาสัญญาเนี่ยคือความทรงจำเหมือนกัน แต่เป็นความทรงจําที่แม้เนี่ยเป็นเรื่องอย่างที่อาจจะมาบอกเป็นถืงว่าเป็นการชกมวยเป็นคนยิงกันเป็นคนฟันกันนะหรือว่าเอาจจะเป็นครอบครัวเราในแต่ก่อนล้วเคยจำโอ้โหสภาพบ้านบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยแหละสภาพพวกเนี้ยบางทีมันผุดขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาในสมองของเราแต่เราไม่มีการไปปรุงแต่งเป็นเป็นภาพขึ้นมาเฉยแต่เราไม่มีการไปปรุงแต่งหมายถึงว่า เราไม่ได้คิดว่าโอ้โหนี่พี่เรานะพี่เราเนี่ยมันบื้อบือนะแต่ก่อนเนี่อ้าวหรือว่าโอ้โหนี่น้องเรานะโอ้โแต่ก่อนน้องเราคนนี้มันฉลาดจังเลยนะเนี่ยหนึ่งมันปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสังขารแต่ถ้ามันขึ้นมาเฉยๆเราก็ไม่ได้ไปคิดไม่ได้ไปปรุงแต่งให้มันเป็นกิเลสอะไรขึ้นมาอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่มีสังขารอหละมันก็เฉยๆเหมือนกับบางทีเราดูหนังดูทีวีดูละคร เราดูเราก็ดูแบบเฉยๆไม่ได้ไปคิดอะไรเลยก็ดูไปก็รู้อยู่ว่ามันแสดงอะไรแต่ไม่ได้คิดอะไรนะหนังจบก็จบก็แค่นั้นแหละไม่ได้ไปได้อะไรด้วยนะก็ไม่ได้ได้อะไรด้วยก็ดูไปอย่างนั้นเองหรือเขาเรียกว่าศักแต่ว่าดูไปสักแต่ว่าได้ยินก็แค่นั้น้วอย่างเงี้ยมันเป็นภาพขึ้นมาแต่ไม่มีตัวสังขาร แต่ถ้าเป็นอุปทานนะเป็นอุปทานเนี่ยเราจําได้ภาพอย่างนี้นะแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันขึ้นมาในจิตเราเนี่ยแหละ ไ, ไม่ได้ไปเหมือนกับไปมีจอทีวีที่ไหนแต่ว่ามันขึ้นมาในจิตให้เราเห็นภาพให้เรารู้สึกหรือแม้บางทีไม่ต้องมีภาพก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเออนี่ยเนี่ยความรู้สึกเก่าเก่าของเราขึ้นมาอีกแล้วอย่างบางคนเคยกินเป็ดย่างเคยกิน ข้าวหมูแดงโอ้โหจำรสจำกลิ่นมันได้เลยเนี่ยข้าวหมูแดงไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเลยหรืออะไรอะ่ะอะไรนะเออไอ้ไม่ใช่อะไรกะปินะเออข้าวคู่กะปิแล้วก็อะไรนะอะไรมะขามอ่ะน้ำพริกมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีอยู่ต่อหน้าเราเลยใช่ไหมเออ ไม่ได้ไม่มีให้เราเห็นด้วยซ้ํำไปแต่พอเรานึกถึงขึ้นมาปั๊บโอ้โ ห, โหทันทีเลยนะรู้สึกทั้งกลิ่นทั้งรสนี่ออกมาให้เรารู้สึกเลยเนี่ยเนี่ยนยคืออุปทานที่เราเราบันทึกเอาไว้ในในจิตใจเราแล้วไม่ต้องมีมาให้เห็นต่อหน้าของจริงนี่ไม่มีให้เห็นเลยแต่พอเรานึกปั๊บมันทันทีเลยทั้งรูปคือรูปในจิตเนี่ยมันขึ้นมาเองทั้งรส จำได้เลยเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอะไรยังไงเผลอๆเนี่ยแม้แต่จมูกนี่ยังได้กลิ่นนะเนียได้กลิ่นเลย ท, ทั้งที่มันไม่มีนะแต่เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับได้กลิ่นเข้ามาในจมูกเราเลยอ่า <ๆ S 1> เหมือนกับนีที่คนส่วนใหญ่เขาแบบว่าบางทีเขาบอกว่าเขาเห็นผีหรือว่าเขาได้กลิ่นไอ้อะไรอะทูบเทียนหรือได้กลิ่นศพได้กลิ่นอะไรอะดอกไม้ได้กลิ่นอะไร ทั้งที่มันไม่มีแบบบริเวณนั้นแถวนั้นไม่มีแต่มันอยู่ในอุปทานจิตที่คนนั้นเนี่ยมีสะสมไว้แล้วอยู่ในจิตแต่ว่าเราจําได้หรือเปล่านันนะว่าเราไปจํามาจากที่ไหนไปจํามาจากตรงไหนคือเราจะจําไม่ได้แต่มันอยู่ในจิตเราเนี่ยแหละมันเป็นอุปทานแม้แต่เรื่องผีเนี่ยเรื่องอะไรพวกนี้ล้วนเป็นอุปทานอยู่ในจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครจะไปเห็นผีโอ้ยไม่แปลกอะไรเรอ ไม่แปลกเลยจะไปเห็นหน้าเกลียดหน้ากลัวไปเห็นเป็นรูปร่างยังไงก็ได้มาอยู่ที่คนนั้นเนี่ยคนนั้นไปสะสมว่ายังไงบางคนนี่ไม่ได้สะสมจากการที่ไปเห็นภาพมาบางคนที่แค่ฟังคนอื่นเขาเล่ามาเล่ามาเนี่ยมันเป็นแต่เสียงใช่ไหมเล่ามาเนี่ยเล่าเป็นคําพูดให้เราแต่เราปั้นไม่ใช่จิตละอาตมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหอุปทานพวกนี้เยอะมากเลยเพราะว่าเวลา เล่ามานะมันมันมันจําแม่เนี่ยเรื่องพวกนี้ยิ่งแต่ก่อนนี่กลัวจะบวผีโอ้โหเขาเล่ามาเนี่ยเล่าเรื่องผีกองกอยเล่าเรื่องผีกระซือเล่าเรื่องอะไรให้ฟังจริงๆไม่อยากฟังอลยนะเพราะกลัวแต่พอพอเขาเล่าแล้วเราก็จําติดโู้ติดตาตอนที่เล่าเนี่ยบอกแล้วมันไม่มีภาพให้เราเห็นนะแต่ไอตอนเล่าเนี่ยเราโอ้โหเรานึกไปเองอ เรานึกเป็นภาพเลยไอ้ผีกองก่อยมันจะต้องหน้าตายอย่างนี้มันจะต้องรูปล่างอย่างนี้แล้วมันก็จําอย่างนั้นมานะ ต, ตั้งแต่เด็กมามันก็จําอย่างนั้นเนะี่ยโอ้โหแล้วผีปอบเนี่ยเนีนเว ล, า เ, ลาเขาเล่ามาเราก็นึกเราก็กลัวเองมันจะมาล้วงใส่เราไปกินหรือเปล่าว่าผี ป, ปอบอะไรต่ออะไรแล้วมันก็กลัวมันทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมาให้เราดูเลยไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรให้เราดูแต่เขาเล่าเราเล่าเราให้เราฟัง ไอคนเล่าเนี่ยบางทีมันไม่มีอุปทานอะไรเลยนัแต่มันจํามาเนี่ยมันจํามาืองกันมาเล่าบางทีมันมาหลอกเราด้ซ้ําไปมันก็เล่าหลอกเราเนี่ยแต่เราเนี่ยฟังแล้วเราโอ้โหมีอุปทานอย่างเลยนะนันเราปรุงแต่งเราปั้นเราสังขารเพราะฉนั้นคราวนี้มันเล่าจบไปนานแล้วจนบางทีมันเล่าไปมันไปเล่าต่อถึงไหนถึงไหนถึงไหนนะแต่เราเนี่ยเรากลัวแล้วเรามีอุปทานพวกนี้อยู่มากเพราะนั้นบางทีเนี่ย เอาแล้วเวลามันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรากลัวแล้วมันเห็นเลยอ่ะพอมันขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเลยนะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เราเนี่ยฝังใจเอาไว้เนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะอุปาทานทั้งนั้นเลยแล้วอาตมาไม่แปลกใจเลยนะยิ่งๆพอมาศึกษาธรรมะมารู้มากเข้าเนี่ยถึงได้รู้ว่าโอ้โหอุปทานนี้น่ากลัวที่สุดเลยแล้วทุกวันเนี่ยที่ใครจะมาวัดใครจะมาถือศีลปฏิบัติธรรม แลอยากที่จะให้ตัวเองพ้นทุกข์ไม่มีอะไรอื่นหรอกก็คือมาล้างอุปทานกิเลสพวกเนี้ยเท่านั้นแหละคุณเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้หรอกแต่ไอ้แค่นี้แหละที่ล้างไม่ค่อยหมดเท่าที่เพราะไปสั่งสมมาเยอะมากโดยเฉพาะกิเลสเรื่องอะไรบ้างอะหนึ่งกินเรื่องนอนเรื่องเนี่ยเสื้อผ้า เรื่องเข้าของเครื่องใช้เนี่ยอุปทานเยอะแยะเอาอย่างเช่องนั่นจะ็อย่างง่ายๆเอาเอาเรื่องนอนก็ได้อย่างบางคนยังไม่รู้มันฝังมาเมื่อไหร่บางทีจําไม่ได้นะว่าใครพูดให้เราฟังหรือว่าเราไปเห็นที่ไหนมาแล้วเราก็จำเอาไว้ในจิตเราวันบางคนเนี่ยนะถ้าจะนอนเนี่ยโอ้โหต้องต้อ ง, ต, องต้องลักษณะอย่างนี้อต้องมีเตียงหรือว่าต้องมีฟูกหรือว่าต้องมีอะไรอย่างงี้ แล้วเรานอนแล้วเราถึงจะมีความสุขมีความสบายเนี่ยคุณไปจํามาจากตรงไหนล่ะคุณไปจํามาเมื่อไหร่บางที่จำไม่ได้เลยต้องไปว่าไปจํามาจากที่ไหนเมื่อไร่แต่มันจํามาแล้วล่ะหรือบางทีบางคนเขาเล่าให้คุณฟังอย่างอาตมาเนี่ยเอ๋อไหนทีวิทคิดว่าไม่เคยนะไปเห็นเอ๋ที่เขาเล่าเขาชอบมาพูดกันไนะอ้เตียงน้าอะ่ะที่มันนิ่มๆเออ ท, ที่บางทีเขาบอกไอ้อะไรนะ ดันล็อบิโลเถียงน้ำมัใช่เป็นยี่ห้อมันใช่ไหมเออดันล็อบิโลไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันมันมันฟังฟังเขาพูดพูดมาเนี่ยมันมันมันเกิดภาพอยู่ในจิตแล้วอะเออมันคงจะเป็นอย่างนี้เออมันคงมีลักษณะนี้เออถ้าเราลงไปนอนเนี่ยมันคงแหม่น่นุ่มนิ่มอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไปแล้วในจิตเนี่ยมันเป็นอุปทานไปแล้วมันแล้วมันฝังไว้ละอุปทานเนี่ยนั่นแหละแล้วเอ๊ะ ไออุปทานที่มันก็คอยตามหลอกหลอนเราไปเรื่อยตลอดเวลาจนกว่าเราจะรู้ตัวแล้วเราจับได้ว่ามาอีกแล้วไอหมอนี่มาอีกแล้วนะหรือหรืออีนาคมาอีกแล้วเออต่างนาคเลยนะออกมาอีกแล้ว <c oughs> าาลนะมาอีกแล้ ว, ลวจนกว่าเราจะจับได้พอเราจับได้คราวนี้เราถึงจะเริ่มจะล้างมันทิ้งเพราะเรารู้แล้วว่าโอ้โหไอที่มานี่มันมีแต่มาหลอกก็ให้เราเนี่ย เ๋ยวทุกในที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะคอยเอามาอีกแล้วเราก็คอยไล่มันออกไปหรือว่าล้างมันทิ้งออกไปอย่างเช่นนะอาตมายกตัวอย่างอุปทานที่ล้างง่ายที่สุดคืออุปทานที่เราเนี่ยไม่ได้ไปมีเชื้ออยู่มากนะอย่างเช่นอย่างอาตมาเนี่ยแต่ก่อนเอา้าก็เคยกินเหล้าบ้างเคยสูบบุหรี่บ้างนะั่งกับเพื่อนฟูง้งกับอะไรพวกเนี้ยแต่มันไม่ค่อยมีอุปทาน ที่จะโอ้เหล้ามันอร่อยอย่างก็อย่างนี้บุหรี่แมด้ดูแล้วมันอร่อยอย่างก็อย่างนี้คือมันไม่มีอุปท า, านของความอร่อยของความสุขนี้อยู่บางทียังรู้สึกมันต้องฝืนๆ น, นะดูบุหรี่ไปเนี่ยถ้ามวนแรกรู้สึกเอออร่อยอยู่บ้างเหมือนกันอแต่ขึ้นมวนที่สองมวนที่สามนี่ไม่เห็นอร่อยตรงไหนเลยอหรือแม้แต่เหล้าอะมันอร่อยตรงไหนไม่เห็นว่าอร่อยเลยกินไปจริงจริงจะว่าไปนะกินเที่ยงแรงโอ้โหมันขมๆ ม, ม, มัน มันยังไงอะ่ะพูดไม่ถูกอะไม่เห็นมันอร่อยเลยร้อนก็ร้อนเวยโอ้โหถ้าใครเคยกินแบบเพียวๆนะไม่ผสมโซดาไม่อะไรนะโอ้โหแทบจะรู้บอกคอเอี่ยกินลงไปเนี่ยอย่างกับลูกไฟวิ่งลงมาในท้องเลยแล้วมันอร่อยตรงไหนอะคือคือโชคดีที่ไม่ไปมีอุปท า, านพวกนี้ไงเพราะฉนั้นพอไม่มีอุปท า, านพวกนี้เนี่ยมันไม่มีความสุขกับเรื่องนั้นไม่ได้เห็นว่ามันสุขเสียก็ไร ว่าเรื่องไหนเนี่ยที่เราไม่ไปมีอุปทานเป็นความสุขเป็นความยินดีเป็นความชอบใจในสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นเราจะเลิกง่ายเพราะตอนหลังเนี่ยพอมาเลิกไอ้พวกเล่าบุหรี่เนี่ยโอ้โหเลิกง่ายมากเลยตัดทิ้งได้ง่ายเลิกเนื้อสัตว์ยังเลิกยากกว่าทั้งเยอะเลิกเนื้อสัตว์นี่ยังเลิกยากกว่าโอเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราชอบอะ่นะก็แล้วแต่นะใครชอบอะไร บางคนอาจจะชอบน้ําตกลาบใช่ไหมอชอบอะไรเบาลงมาก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะติดขนมปังบางคนติดอะไรก๋วยเตี๋ยวบางคนอาจจะติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครไป ม, มีอุปทานไวอารามายังจำได้แต่ก่อนเวลาจะกินบะหมี่บะหมี่ไอเส้นเหลือ ง, องนะอ่ะเออมันมีอุปทานอยู่อย่างนึงนะ ว่าถ้าจะกินบะหมี่ให้อร่อยเนี่ยบะหมี่บะหมี่ไอเส้นหมี่เหลืองๆน่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าบะหมี่ใช่ไหมเขาไม่เรียกว่าเส้นหมี่นี่นะเออเขาเรียกว่าบะหมี่แล้วส่วนใหญ่เส้นมันจะยาวใช่ไหมมันมีอุปทานว่าถ้าจะกินบะหมี่ให้อร่อยนะมันต้องใช้ตะเกียบเสียจแล้วลองเอาตะเกียบเนี่ยแทงลงไปนั่นแหละแล้วก็ม้วนม้วม้วนม้วนขึ้นมาแล้วแห่ค่อยมากินอย่างนั้นถึงจะอร่อยถ้าถ้า เอาตะเก็บลงไปรังคีบคือมากินเฉยๆไม่อร่อยอ่ะเนี่ยมันอุปทานใครอุปทานคนนั้นเพราะคนนั้นเนี่ยมีอุปทานอย่างนี้นะคนนั้นก็ต้องกินอย่างนั้นละเราถึงจะมีความสุขแล้วถึงจะอร่อยแล้วก็จะติดไปอย่างง่าจะติดไปเรื่อยมันสังเกตดูนะถ้าคนนั้นไปกินบะหมี่ถ้ามันไม่ตรงอุปทานนะที่ที่ตัวเองฝังเอาไว้ที่ตัวเองยึดเอาไว้คนนั้นก็จะไม่อร่อยหรอกไม่ค่อยกินแบบมีความสุขเรื่องอะไรแล้วมันก็ ชักไม่อยากจะกินด้วยไปสังเกต ด, ดูเถอะเพราะาหลายคนที่บางทียกตัวยอย่างนะอย่างคนที่ชอบกินก๋ยวยเตี๋ยวอย่างคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรากฏว่าถ้ามันผิดพบเราไอ้ที่เราเคยยึดเอาไว้นะบางทีเส้นเออสีอาจจะเออสีไม่เหมือนกับที่เราเคยกินต้องสีอย่างนี้ทีถึงจะอร่อยนะหรือว่าเออต้องใส่อะไรนะ เขาใส่อส rain, forms, ะไรบ้างอะไอ้กรอบกรอบะเอออาจจะมีเกี้ยวบ้างมีไอ้ถ้าเป็นข้างนอกนะที่เขากินเนื้อสัตว์อะไอ้อะไรหมูกรอบกรอบอะอะไรหมูกรอบกรอบอะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่บางทีมันไม่ตรงพบนะนะไปกินเจ้าที่เกิดไม่มีไอ้พวกเนี้ยเขาก็ชักอร่อยน้อยลงละมันมันชักกินแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่จะเลิกสิ่งที่ติดได้เพราะะ จำไว้ให้แม่นเลยใครจะเลิกสิ่งที่เราติดได้เนี่ยต้องพยายามเนี่ยล้างไอ้ที่ยึดเอาไว้ว่าอร่อยยังไงต้องล้างตัวนั้นทิ้งให้ได้ถ้าตาบใดเนี่ยคนนั้นไม่สามารถล้างไอ้ตัวที่เราเคยโอ้โ oh, หชอบนะกลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้หอมอย่างนี้น่ากรอบอย่างนี้มันอย่างนี้ใครล้างตัวนี้ไม่ได้คนนั้นไม่มีวันเลิกสิ่งนั้นได้บอกนั่นเลย ไม่มีวันเลิกได้เลยถ้าตราบใดไม่ล้างอันนี้ยังเก่งก็ทำเป็นเก่งนะไม่กินไม่กินสักวันสองวันหรือว่าสักเจ็ดวันเาแต่ว่าจริงๆในใจมันยังอยากจะกินอยู่แต่ไอ้ทำเป็นเก่งปากแข็งมั่งอะไรบ้างนะหรือว่าบางทีเอา้าบางทีอาจจะโดนบังคับมั่งอะไรบ้างเนี่ยก็ฝืนใจจะฝืนไปได้แค่พักเดียวเท่านั้นเองแต่ในที่สุดเนี่ยใจมันยัง มันยังชอบพวกนี้อยู่เพราะใจมันยังชอบพวกนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ล้างใจเพราะมันจะแค่แค่บังคับมือบังคับปากไม่ให้กินได้แค่วันสองวันสามวันหรือเอาบางคนอาจจะเก่งหน่อยก็ได้อาจจะชักเป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าใจนี่ไม่ล้างในที่สุดแะในที่สุดก็จะแบบว่าเดี๋ยวก็อดไม่ไหวก็ต้องกลับมากินเพราะเยอะแยะเลยคนจํานวนมากบางคนเนี่ยสังเกตไหมบางคนเนี่ย เอายับแเนี่ยแค่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่บางคนยังเลิกไม่ได้เลยซึ่งจริงๆให้หลายคนเนี่ยไปลองเลยมันอร่อยตรงไหนคนที่ติดอยู่เนี่ยบางทียังไปถามจริงๆเขายั ง, ย, งยังยอมรับอยู่บ้างว่ามันไม่ได้อร่อยนะแต่ไอ้ที่ติดจนจนในที่สุดแล้วมันเลิกไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุเยอะหลายอย่างไม่ใช่แค่ติดเพราะว่าไอ้รสชาติท่านั้นแต่ว่ามันมีอย่างเช่นเหล้าบุหรี่เนี่ยจะมีสาร ที่ทําให้คนนั้นเนี่ยไปสั่งสมไปอยู่ในร่างกายนะแล้วมันเกาะกระดูมันมันอะไรบ้างที่ทําให้ถ้าไม่เอาเติมลงไปลงไปอีกเนี่ยมันจะทําให้มันหุดหงิดและมันมันมันจะทนไม่ได้มันเหมือนกับคนที่ติดยาคนที่ติดยาเนี่ยบางทีมันอยากจะเลิกจะแย่อยู่แล้วอ่ะมันอยากจะเลิกจริงๆนะแต่มันเลิกไม่ได้เพราะฤทธิ์ของยาเนี่ยมันมันบีบคั้นจนกระทั่งไหนที่สุดมัน ทนความทุกข์ความทรมานที่ไม่เอายาใส่ลงไปอีกเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้งที่จริงๆมันอยากเลิกจะตายไปแต่มันเลิกไม่ได้แล้วเพราะว่าอำนาจของไอสารเคมีเนี่ยมันทำให้คนนั้นเนี่ยใจไม่เข้มไม่เข้มแข็งพอที่จะเลิกหละนั่นแหละแต่ถ้าถามใจเขาจริงๆเขาอยากเลิกได้ไหมยอยากเลิกไปถามเถอะบรรมาสมัยก่อนเคยคือแต่ก่อนเนี่ยพระโศกเรานี่นะ เราเราค่อนข้างที่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ยุคหนึ่งที่เหมือนกับอะไรเราเรียกว่ากองทัพธรรมอ่าเราจะยกไปตามจังหวัดต่างๆบางทีเขาให้ไปอบรมเขาให้ไปที่นั่นที่นี่สมัยก่อนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งโอออกกันน่าดูเลยทั้งสมณะเราทั้งพระแต่ก่อนนั้นยังเป็นพระนะบางทีก็นู่นไปอบรมที่วอรคอมัง่งวิทยาลัยคูที่ เพชรบูรณ์บ้งหรือว่าเพชรบุรี เ, เพชรไหนไม่รู้เพชรบูรณ์อุดรม้่งยกทีมไปเลยนะทั้งคาราวาทั้งพระไปเลยเอห้าวันเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละวันแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีใสร็จแล้วมีที่พวก อ, อะไรเขาติดยาแล้วเขามาขอให้พวกเราไปอบรมลวนไปทั้งพวกคุณภาพชีวิตด้วยงนั้น นมานยังเคยไปอยู่ครั้งสองครั้งมั้งโอ้โหเข้าไปสถานที่เลยแล้วก็พวกติดยาเนี่ยไปพักฟื้นไปหัดกดหัดงดนรมานเคยไปคุยกับพวกนี้แล้วก็สัมภาษณ์เขาเขาบอกเลยว่ามันเลิกยากจริงจริงไอ้ที่มันเลิกยากมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากจะเลิกนะเขาอยากจะเลิกแต่ที่มันเลิกยากแล้วมันเลิกไม่ได้อะเพราะว่า อุปทานเนี่ยไอตัวที่มันมันฝังใจอยู่อะยิ่งถ้าไปอยู่บรรยากาศเก่าเก่านะเจอเพื่อนแบบนี้เจอสภาพแวดล้อมแบบนี้นั่นแหละเขาบอกว่ายิ่งเลิกยากหล ย, ยเลยเพราะไออารมณ์ความรู้สึกเก่าเก่ามันขึ้นมาเรื่อยมันขึ้นมาเรื่อยในที่สุดเนี่ยมันทนสู้กับไออารมณ์ความรู้สึกเก่าเก่าไม่ได้ในที่สุดเนี่ยก็จะต้องไปเสพยาอีกทั้งทั้ง ท, งที่ตอนที่บางทีเขามาอยู่ที่ไอสถานพักฟื้นอะไรพวกเนี้ย เขพอทําได้อยู่แต่พอกลับไปสภาพเดิมปับ๊บนะ่ะอุปทานก็ขึ้นมาอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นสภาพพวกเนี้ยที่ทําไมเขาแก้ปัญหาพวกนี้ไม่จบไม่สิน้นแล้วในที่สุดแก้ปัญหาไม่สําเร็จเพราะมันแก้แต่ไอตัวสารเคมีเป็นอย่างเดียวใช่ไหมพอเว้นไปซะงดไปซะไอสารเคมีมันก็ค่อยๆลดลงจริงแต่เขาไม่ได้ไปลดไอตัวอุปทานจิตที่คนนั้นนะ่ะ ยังจดจําไอ้สภาพบรรยากาศที่ตัวเองเนี่ยเคยติดยังไงนะเคยเมายาเคยอะไรยังไงไอ้อย่างเนี้ในจิตไม่ล้างไม่ลดลงมาเพราะฉะนั้นแก้ไม่ได้ในที่สุดพวกที่ก็กลับไปเสพใหม่เพราะสมมติว่าในร้อยคนเนี่ยโอ้ยมีพวกที่จะเลิกมาได้จริงๆไม่กี่คนเลิกจริงๆได้ไม่กี่คนส่วนใหญ่ติดแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละ เพียงแต่ ว, ว่าจะหนักขึ้นหรือว่าจะเบาลงบ้างนิดหน่อยก็แค่นั้นเองแต่เอเลอร์ขาดเลยนี่หาได้น้อยเพรอันนี้นะวันนี้พูดมาให้ฟังเนี่ยพูดเพื่อที่จะเน้นให้พวกเราเห็นความร้ายกาจของอุปทานแล้วแม้แต่เนี่ยที่ตายแล้วก็ต้องมาเกิดอีกหน้านเราตายแล้วเราก็ต้องมาเกิดอีกรวนเกิดเพราะอุปทานดังนั้นไม่ได้เกิดเพราะอย่างอื่นนะ เกิดเพราะอุปทานที่เราฝังเอาไว้วันในทํานองเดียวกันถ้าใครอยากจะตายแล้วไม่เกิดอีกตายแล้วศูนคุณต้องล้างอุปทานทิ้งให้สําเร็จถ้าคุณล้างอุปทานทิ้งสําเร็จคุณตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกก็ได้แต่ถ้าคุณล้างอุปทานไม่สําเร็จกูจะเกิดอยู่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจะไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเลยมัน มันยังติดความพอใจหรือความไม่พอใจก็ตามที่คุณไปสั่งสมไว้อยังบางคนเนี่ยเอานะอาจารยาจะยกตัวอย่างที่ไม่ต้องติดในแง่พอใจก็ได้อาจารยาจะพูดในแง่ไม่พอใจอย่างเช่นปรากฏว่าคุณฝังใจไว้คุณเกลียดคุณไม่ชอบอะไรแต่ชาตินี้คุณต้องถึงเวลาตายแล้วนะคุณก็ต้งตายแต่คุณก็จะเกิดมาอีกเพื่อที่จะมาจัดการใ้ที่เราเกลียดให้ได้เพราะเรายังเกลียดอยู่ เพื่อที่จะมาจัดการไอ้ที่เราเกลียดนั่นแหละสมมุตินะเอ้าเราแค้นใครสักคนหนึ่งแล้วคุณต้องตายในชาตินี้ไปนะแต่อันนั้นมันยังอยู่นะสมมตินะอันในจิตคุณเนี่ยมันยังอนะ้ำไอตอนจะตายเนี่ยมันยังฝังไว้ในจิตเลยเดี๋ยวกูจะกลับมาจัดการมันจนได้นะอมันจะอย่างนี้แหละเพราะมันก็หาเรื่องเกิดมาอีกเพื่อที่จะแบบว่าต้องมาจัดการนั่นนะอันนี้พูดในแง่แบบว่าความแค้นนะแด นะความแค้นยังเป็นความผูกพันเหมือนกันนะบางคนเนี่ยบางคนคิดอยู่แต่ว่าความรักคือความผูกพันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแม้ความแค้นก็เป็นความผูกพันคุณแค้นใครไว้คุณก็ได้ผูกพัน ก, กับคนนั้นไว้เพียงแต่ว่ามันเป็นมุมตรงข้ามเท่านั้นเองแต่ร้วนเป็นความผูกพันที่จะพามาให้มาเกิดเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นเป็นความรัก เราก็อยากจะเกิดมาผูกพันแบบเออมามีความสุขมาอยู่ร่วมด้วยอีกแต่ถ้าไปความแค้งกูก็อยากจะเกิดมาเพื่อจะจัดการเองให้ได้อ่ะนั่นแหละมันก็ผูกพันกันไปอย่างนี้เป็นโซ่เหล็กกล้าเลยเป็นโซ่เหล็กแข็งเลยที่จะแบบว่าดึงกันไม่หลุดเพราะถ้าใครเนี่ยศึกษาเรื่องอุปทานนะให้รู้ให้ได้ไม่ใช่อย่างบางคนหรอก เกิดมาชาติหน้าฉันใดนจะมากินส ล, ลัเปาเอาจะมากินอะไรเช็กกลิหอมเกลียดนัก อ, อันนี้เกลียดไม่จริงนะอันนี้เกลียดไม่จริงเพราะว่าถ้าเกลียดจริงๆนี่มันจะยังไงอมันต้องมาไม่อยากกินใช่ไมอมนี่ทําเป็นเกลียดกินด้วยความเกลียดกินใหญ่เลยกินด้วยความเกลียด ไอ้ น, นี่จริงๆแล้วมันมันเป็นความชอบต่างหานะแต่ว่าแก้งมาทําเป็นว่าเกลียดไม่ชอบอันนี้พูดพูๆให้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนนั้นเนี่ยไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเพราะถ้าใครที่อยากจะถึงศาสนาพุทธเราเนี่ยถึงนิพพานคือถึงตัวที่เรียกว่าเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะคุณเกิดมาเนี่ยต่อให้เป็นผู้พระเจ้าด้วยสมมุตินะเป็นผู้พระเจ้าเนี่ยสมมติว่าปณิพพาน แล้วท่านสมมติว่าไม่จบจริงๆบริษัทนี้ภาณีต้องจบแล้วแต่สมมตินะสมมุติว่าท่านไม่จบท่านมาเกิดอีกถ้าท่านมาเกิดอีกท่านก็ต้องมามีทุกข์แล้วก็ต้องมาใช้วิบากกรรมอีกหนีไม่พ้นนะต่อให้เป็นผู้พระเจ้าก็ถ้ากลับมาเกิดอีกก็ต้องมาใช้วิบากกรรมไม่รู้ว่าจะชาติไหนก็นตามแต่ที่ท่านทำเอาไว้แม้ว่าสมมุติว่าท่านมาเดี๋ยวมาได้เป็นผู้พระเจ้าอีกนะแต่ท่านก็ต้องทุกข์อีก เพราะว่าในชาติที่กว่าจะเป็นผู้เจ้าท่านยังต้องทุกข์เลยใช่ไหมบางทียังต้องไปทรมานอยู่ตั้งหกปีอะไรเงี้ยเอา้าก็ต้องทุกข์วิบากกรรมที่ท่านมีท่านก็ต้องใช้หนีไม่พ้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะแบบว่าให้เราเนี่ยตายไปแล้วแล้วเราไม่ต้องมาเกิดมาใช้บากกรรมต้องมาทุกข์ร้อนเรื่องอะไรอีกคุณอยากเกิดคุณต้องทําให้คุณตายศูนย์ไปเลยคุณต้องให้เป็นนิพพานไปเลยคุณอย่ามาเกิดอีก แม้แต่อย่างที่พ่อท่านบอกถึงเหล้าก็ตามบุหรี่ก็ตามคุณต้องทํานิพพานให้ได้เลยในเหล้าในบุหรี่ต้องให้มันตายสูญไปเลยอย่าให้มันมาเกิดอีกแล้วคุณก็เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้จริงๆคราวนี้คุณไม่ต้องมาเกิดในจิตคุณอีกอย่างเงียบหมายถึงว่าเราล้างอุปทานที่เราจะไปลักไปชอบหรือไปเกลียดชังอะไร น, นกับเหล้ากับบุหรี่เราไม่ลกักเราไม่ชอบแล้วเราก็ไม่จะเกลียดชังด้วยนั่นแหละคุณคุณสูญสูญไปจากใจเราได้เลย ถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องหวนกลับไปกินเหล้าบุหรี่อีกเลยคุณสบายมากไม่เกิดอีกแลนะวันนี้วันนี้ฝากในเรื่องของอุปทานเอาไว้เพราะจริงๆแล้วตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นะคุณถือศีลก็ตามคุณมาอยู่วัดเนี่ยฟังเทศฟังธรรมไปตั้งเยอะแยะนอะาจากพ่อท่านจะใครต่อใครก็แล้วแต่เพื่อมาล้างอุปทานดีเท่านั้นเองเขาพูดง่า ย, ายๆเขาใช้สามตัวก็คืออะไร กิเลสอะไิสามตัวที่เขาพูดเน่ยความอะไรบ้างอา่ความโรคความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะนี่ก็พูดแบบง่ายๆเขาพูดเนี่ยคุณล้างอุปทานสามตัวนี้เท่านั้นนะคุณก็พ้นทุกข์ละง่ายมาก <c oughs> แค่สามตัวเท่านั้นนั่นก็ง่ายจริงๆนะแค่สามตัว <c oughs> แต่พอมาล้างจริงๆเกาโอ้โหล้างเป็นเรื่องกี่ชาติตั้กี่ชาติแล้ว ยังไม่ค่อยจะยอมหมดง่ายๆเลยโลภแล้วก็โลภอีกโลภแล้วก็โลภอีกมันไม่ค่อยจะโลภน้อยลงอะ่ะมันมีบางทีเบิเผลอมันจะโลภมากอยู่เรื่อยเลอ่แม้แต่ความโกรธใช่ไหมไอ้จะโกรดน้อยลงบางทีไมมันไม่ค่อยจะยอมโกรดน้อยลงเลยมันจะโกรดมากขึ้นอยู่เรื่อยส่วนไอ้ความหลงเนี้ยบางทีก็เอออาก็จะเอาแล้วเอาแล้วทุ่มทุมทุ่มสุดๆุดติกระทุ่มสุดๆุดติกระหลงไปละมันตรงตงอยู่เรื่อยเลย มันไม่ค่อยจะหาความพอดีได้สักทีนั่นแหละเราจะสุดๆอย่างนั้นเนี่ยพราะนี่แหละนะอุปทานแค่นี้แหละถ้าคิดแก้มันน้อยๆแค่สามตัวก็รู้สึกทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการต่อสู้หน่อยถ้าคิดมันมากมายก่ายกองบางทีรู้สึกโอ้โหมันเยอะเหลือเกินใจก็เหี่ยวพอใจเหี่ยวก็ยิงเอาอีกแล้วล้มอีกแล้วนะเสียขายอีกแล้ว คิดอย่างนี้แล้วมันก็เลยเหมดกำลังใจในที่สุดก็เลยไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้แก้ไขตัวเราเองอะไรที่ล้างได้ดีดที่สุดอ <c oughs> อะไรที่ล้างง่ายที่สุดเหรออ๋อล้างถ้วยล้างช้อนล้างชาม แม้ว่าจะไปง่ายอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมันง่ายเหมือนล้างชามล้างกระมังก็ดีดีแตมันล้างใจอะล้างใจมันยังยากเพราะว่ามันมันมันไม่มีตัวตนให้เราล้างง่ายๆแค่บางทีจะจับกิเลสยังจับไม่ทันเลยจับยังจับไม่ทันเลยล้วจะไปล้างมันยังไงวันก่อนอื่นที่ต้องจับให้ทันจับกิเลสให้ทันก่อนว่าโอ้โหนี่กิเลสเราโผล่ละโผล่ละมาอีกแล้วจับกิเลสให้ได้ก่อนพอจับตัวจับตนมันได้แล้ว คราวนี้แหละคุณจะมีกระดาษทรายคุณจะมีอะไรอะ่ะบุ่งคุณจะมีตะไบอะไรคุณก็ณเอาค่อยมาลงขัดมันขัดมันขัดเราอ่ะสันเลขะเนี่ยคือขัดเราขัดเราก็คือหัดฝืนใจตัวเองอย่าไปตามใจมันไม่มีอย่างอื่นขัดนะเบอร์ห ย, ยาบๆหน่อยก็เจ็บหน่อยเบอร์ละเอียดก็เบาหน่อยแต่ดีไม่พ้น ไม่มีใครที่จะพ้นทุกข์หรือว่าได้มรรคผลโดยที่ไม่ลําบากไม่มีนะพราะทุกคนแม้แต่ผู้เจ้าเองเนี่ยท่านยังต้องลาบากตั้งหกปีทรมานตัวเองตั้งหกปีกว่าท่านจะไปบรรลุได้วันยิ่งพวกเราเนี่ยมันไม่หกปีหรอกไม่รู้มันจะกี่ชาติโดยทำไมอย่าว่าปีเลยไม่รู้จะกี่ชาติอ มันเพียนเข้าพยายามเข้าแล้วกันขนาดอาตมาเองเนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้มาเป็นนักบวชแล้วบอกตรงๆนะยังรู้สึกเลยว่าแหมทาไมมันมันช้านานอย่างเลยอย่านึกว่าไม่อยากบรรู้ใวๆนะแหมมันอยากบารู้ใวๆนะแต่แหมมันมันเร่งไม่ขึ้นเลยบางทีมันรู้สึกนะพอจะสู้กันนี้สู้กันนั่ น, นเงีอ๋อแลเดี๋ยวเดยกะ ไม่มันเหนื่อยนะไม่มันหนักนะมันทักทักจะ ถ, ถอยทักจะถอยอีแล้ ว, ลวมันไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกลัวเหนื่อยกลัวหนักกลัวลําบากกลัวทุกเนี่ยไอ้กลัวพวกเนี้ยมันเลยทําให้พอจะเดินหน้าไปสักสามสี่เก้าอ่ะนัเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปตั้งหลังหน่อยก่มันไม่ค่อยจะยอมไปข้างหน้าเนี่ยมันเลยทําให้เราช้ายอยู่อย่างนี้ยมันเลยไม่ค่อ ย, อยนั่นก้อนสายที่เขาเรียกว่าสายเจโตเนี่ย สายที่จิตมันแบบใจเด็ดเด็ใจแข็งแขงเนี่ยง่าบางทีพยายามพยามพยายามกัดฟันลุยลุยลยุพวกนี้ถึงมารู้ทําได้ไวแต่ก็หัวแตกหัว โ, โนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นเนะ่ยโอ้แต่ว่าบรรลุทาได้ไวนะอา้าวมันก็ฝากเอาไว้นะว่าให้พวกเรามีความเพียรมีความพยายามให้มากขึ้นมาอย่างนั้นนะก็ไม่รู้นะแม้แต่ชาตินี้แหละไม่ต้องเอาชาติหน้าหรอก เนี่ยเนี่ยจะได้อยู่จะได้เห็นหน้ากันไปตลอดหรือเปล่าเพราะอุปทานใครไม่ลดลงไม่ลดลงถ้าใครไม่สามารถทำอุปทานให้ลดลงคนนั้นมีแต่อุปทานเพิ่มขึ้นมีอยู่สองสองทิปนี้เท่านั้นไม่มีนะคุณบอกว่าเฮ้ยเสมอตัวเสมอตัวไม่มีพ่อท่านยังบอกบ่อยๆเลยว่าเสมอตัวไม่มีมันมีแต่เพิ่มขึ้นหรือมีแต่ลดลงวันวันไหนคุณไม่ทาให้มันลดลงวันนั้นคุณทามันเพิ่มขึ้น แค่นั้นเองเพรา ะ, ะชาตินี้ไม่แน่เห็นๆกันอยู่อย่างเงี้ยรวมทั้งอตาตมาด้วยนะก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครไม่ได้ไปนิพพานนะ <c oughs> ใครจะไปจากอโศกก่อนกันยังไม่รู้เลยเนี่ยเอพราะถ้าใครเนี่ยมันล้างอุปทานไม่ลงเนี่ยมันอยู่ร่วมมูร่วมกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยพอท่านเกี่ยวกรรมัม่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยบางทีมันมันอยู่ในเส้นทางสายนิย่า มันจะหลุดมันจะกระเด็นออกไปคุณคิดดูสิขนาดหลายลูกอ่ะที่บวชมาเป็นพระอโศกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาตมาอันดับที่เก้าสิบเอ็ดนะลงตามทะเบียนเนี่ยอาตมาเก้าสิบเอ็ดมายถึงมาเป็นพระอโศกเนี่ยทุกวันเนี่ยล้นไปร่วมร่วมสี่สิบแล้วเนี่ยที่หายไปเนี่ยจนอาตมาอย่างวนี้เอาสี่สบบวกเก้าสิบเนี่ยเหลือสักเนี่ยเหลือสักตําแหน่งสี่สิบห้าสิบเงเนี่ หายไปเนี่ยที่หายไปจากที่บวชบวชมามันถึงบอกว่าโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้พวกเรามีความเพียรพยายามเพิ่มขึ้นลวกันอา้าววันี้องเท่านี้